มีเกณฑ์ก็จะสิ้น<อ> 12 ธันวาคม 52 ก็ไปแล้ว เหมือดเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวเหมือดมันไม่ได้อย่างใจค่ำเต็มราย คืนคืนนั้นแจ้งกลางวันกลางค่ำงานมืดทุกข์คือ มันเต็ดมันถูกบังคับมันจริงๆมันมันเกิดที่ใจเรา เหมือนไฟล้นก้นเนี่ยคือเราต้องหนีต้องวิ่งหนีต้องโดดลง พอถ้าไม่ทําเราก็เป็นทุกข์เราก็อึดอัดนะหลาย ความคิดความเห็นทิธิมานลาคตันหาว่าเนี่ยเป็นตัวเพาเรา stamps ลคิดโดนที่ใครทำให้เราไม่มีแม่แต่คนที่เราเย็นว่า badly ขอตำคิดผีที vague เราดูถูกด้วยม그 a new bet อย่าขอ월เหยร์ สажи Assad ปกวจะจ by br math pr e trture ขาจแก้ใหญ่เราโว้เนี่ยก็เก คือเราทําอะไรก็จะเกลียดรักชิงชังพยาบาทส่วนผลภายนอกเนี่ยเคียด คือเขาอาจจะสลายความรู้สึกที่สลายกํา ที่เป็นมโนกรรมก่อนที่มันจะเป็น ที่เราสร้างขึ้นอย่างเรามาปฏิบัติพยายามสร้างสติมี ที่ให้간แสวงหาปัญญาเพื่อ เพื่อมันจะได้เจริญเติบโตเจริญเติบโตกลายเป็น ตัวแรงท่านก็คือกรรมในอดีตน่ะอดีตกรรมของเราหลายมิจฉาทิฐิโลภะโทสะโมหะทั้งหลายนิอวรธรรมทั้งหลายเข้ามาอยู่ในใจ เป็นแรงผลักผลักไม่ให้มันขึ้น เหมือนเก้าอี้ดนตรีอย่างเขาว่าถ้าแรงผลักขึ้นแรงต้านก็ขึ้น เหมือนหนุ่มเหมือนสาวนะเหมือนนางสาวเหมือนคนที่สวยงามคนหนึ่งล่ะแต่ก็ถูกรุมกับโทษหนุ่มอกุศลเนี่ยเข้า คนเราก็จะรับมั่นรวยกว่าเราก็จะรับมั่นรับแต่งกับคนนั้นหนุ่มกุศลเนี่ยเขาชอบเอาสติ ตรีมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยตาดีหรือตาบอดตัวหนุ่มอกุศลเนี่ยมันมีความสนุก เรเราก็ชอบเขาก็ชอบสนุกสนานสร้างเวทนาขึ้นมากล่อมเกลาชีวิตสนุกแต่สนุกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ทุกข์ตามมาสนุกหรือก็ทุกข์มันก็เอาความสุข เที่ยวเมืองนอกเที่ยวไหนทุน้นถ้าเถอะมันจะว่าให้เราเดี๋ยวรูป ทมรงซึ่งไม่มีอะไรหนุ่มเงาะป่าคนหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรเวลา เรเรเราก็เลยไม่อยากอยู่กับเค้าให้เฉยๆเฉยๆนะแต่หนุ่มนั้นก็เร่งเราอยู่หนุ่มอกุศลเนี่ยมันไปมั้ยไปมั้ย ถ้าเรายังไม่ไปเหรอมันก็ออเชาะเราทาปากให้ น้องขรรค์หาอย่าลืมไปกับพี่นะเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันมันมันจะพาเราไปทุกข์นะเนี่ยไปแล้วมันจะหลง มีเสื้อยาสะผมย่อดีให้นะเนี่ย ผู้มาทํางานพูดคุยเนี่ยอืมเชื้อของตัณหาทําหน้าที่แล้วก็คิดอันนั้นอันคุณลุงสังขารก็มาสังขารก็มาลุง พวกพวกพวกชาติมาเข้ามาพี่น้องเข้ามาใหม่กันเยอะแห่กันมากเนี่ยจะไปเนี่ยมันมากแต่กลุ่มพี่น้องกุศลและธรรมเนี่ยชอบมาช้า บางทีนี่เราห้ามใจนะกําหนุมอกุศลนี่เพราะมาช้าเหลือเกินมาเค้าขบวนขันหมานะคุณโอ้ยนะยากนะคุณ เขาทำงาน 3 น, 5 น, 7 วันบาง 7 วันเนี่ยยังไม่มาเลยเราตะโกนเรียกกระทืบผู้อืมเสร็จเวลา 7 วันจัดให้เวลา 7 วันเท่านั้นนะนาง สุดท้ายก็คืออย่างว่าเนี่ยนะต้องได้ไปกับเค้ามันหลุดไปอ่ะบางทีมันก็เอาไปมันดึงอะไรไปบ้างดึงนะ สร้างอิทธิพลต่อความจําเป็นจําเป็นต้องอืมมีความฉันจะพยายามกัดก้อนขินเกลือจะอยู่กับพี่กุศลนี่แหละไงก็ตามเนาะฉันจะพยายามง่าๆ ในได้แล้วแม้มันไม่สนุกสนานอยู่ก็น่าจะดีปัจจุบันกับเขาแม่มัน มันต้องตายถ้ามันรวยในคุณกุศลเนี่ยเขาใส่ผ้าขาดไม่ได้ใจหรอกนะเวลาเข้าเนี่ยแทนที่เขาเนี่ยมื้อ พี่กุศลก็บอกว่าอย่ากินเยอะนะให้กินแต่น้อยอืม ขณะนั้นสมาธิมันยังสอนได้เลยหลับไปเลยหลับ โอ้ยากลําบากกรรมเก่าก็มีเยอะแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายสมาธิก็ปัญญาก็เวลามันมาจีบกลมเมื่อชาลงถ้าเดิน มันมาจีบแบบนี้นะตัวนี้ นี่แหละพรสถินี่แหละระลึกรู้เนี่ยจะมาสู่ขอเราเนี่ยสู่ขอเราเขาก็คือแม่อดทนเนี่ยนะคุณ ได้ดวงตาภายในดวงตาภายในได้ทําให้จักขุได้พุทธิจักขุขึ้นมามองเห็นโอ้ข้างสะสมอบรมไปก็น่าจะอยู่เค้าไม่สนุก โดยส่วนมากแล้วมันก็คือมันเอามายามาล่อมันของไม่เนี่ยนะเอ้าเชื่ออืมหลาย ที่แต่งงานกับบ่าวเนี่ยเราก็เห็นนะชีวิตเค้าโอ้มีความสุขเหลือเกินนับคุณกุศลก็มีความสุขท่านสาลิบุตรโมคคลานะต่อมาหลวง หลวงปู่ทวดธาตุเนี่ยที่เรารับรู้คดีได้ฟังเขาก็ล้วนแต่แต่งงานกับ ด้วยความเห็นอย่างนั้นความเข้าใจนั้นจึงพยายามพากันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อ พอเข้ามาแล้วเราได้แบกแบกรับภาระทั้งหมดเลยเพราะจริงๆเขาไม่มีอะไรเลยเนื้อตัวเขาเนี่ยวันๆนึงอยู่ไม่เป็นสุขต้อง เมื่อก่อนเราว่าความสนุกเคยมั้ยเคยรู้สึกว่าเราทําประมาณถ้วยนึงเรื่องนึงก็จบแล้วเบื่อละงุ่นหนิดละนะเวลาเรานอนเนี่ย ต้องมีความรู้สึกระเปือแล้วอย่าไปเดินความรู้สึกพวกนี้มันมัน ของขันของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดกับรูปรสอื่นๆเรื่อยๆทุกข์ฆาติปุ พอมันได้มีอะไรเหมือนเดิมรสชาติจบกระทบทางตาพับลงจบกระทบทาง แต่เข้าฝากไว้ที่ใจไอ้ความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงมันไปสะสมข้อมูลเก็บไว้ที่ใจเหมือนเราพิมพ์หนังสือพิมพ์ไปพิมพ์มาพอ มันก็ติดอยู่อย่างนั้นเก็บๆๆๆๆแต่พอเปิดขึ้นมาก็หนักมันหนักข้อมูลมันเยอะข้อมูลอะไรไร้สาระทั้งนั้นมีแต่เกมแสนนะไร้สาระทั้งนั้น มันไม่หนักไม่หนักพอเราได้ใช้สอยได้สร้างประโยชน์คือศีลสมาธิ สัญญาก็ปรากฏที่ใจเวทนาสัญญาสังขารพวกเนี้ยเวทนาแปลว่าความพอใจๆเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งมันก็ดับไปมันก็เท่านั้นแหละนะเมื่อในจิตเราเนี้ยเวลา ฮอมมันดับเนี่ยมันเซฟข้อมูลละพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเหมือนเก็บเก็บเก็บเก็บมันเก็บโดยที่เราไม่จะมารู้อืม ละจละทิ้งทําไงเราจึงจะรู้ ทำเมื่อมีเกิดขึ้นในใจเราอุเบกขากับความปรุงสามีภรรยานะ เราก็จะโทษทําไมทํากับกูอย่างงี้เอาคนนั้นก็ทําไมวันนั้นเป็นอย่างนั้นจิตมันจะเป็นอย่างงี้น่ะเพราะต่างคนขัน 5 ของแต่ละคนนี่อยากยิ่งยิ่งขึ้น มันพอไม่เป็นวันนี้คล้องเข้ามาในชีวิตเราอันนั้นก็สติโลกัสสมิชาคโรสติปะโตสถาปะทั้ง 30 สังนิวรณังสติสัมปทาปะติยาสติเป็นตัวรักษาจิตเรา สติคุโตสมาธิคุโตมันไม่ทําหน้าที่ในการคล้องใจเรารหัสลับเนี่ยให้เจอมันอยู่ ทำใหญ่มันยังจะเกิดนะท่านก็ต้อง มันฝังแน่นอยู่ในใจเราไปไหนมาไหนก็แบกความรู้สึกความรักความชอบไม่ชอบติดอยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงมัน เพราะอะไรเพราะเขาไม่หายเป็นโรคพอหนุ่มมกุศลเข้ามาครอบมันจนกระทั่งว่าอยู่ด้วยกันมาจนแก่แล้วอย่างน้อยๆนะถ้าเพ หนุ่มกุศลหนุ่มสติน่าจะมีชีวิตมีความสุขนะเอ้าดีกว่าน่ะตอนตายมันน่าจะแบกเราไปเผาได้อืมน่าจะเอาเข้าใจเราเมื่อเราหายโรคหายโรคตอนอายุแก่ๆก็ยังดีดีกว่าที่เป็นโรคจนตายก็ต้องทําใจละเนี่ยพระบริยเจ้าบอกว่าเนี่ย ตัดแต่ได้ทำกับกลุ่มกุศลเนี่ยแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวนี้ประเสริฐกว่านิทันตันทิงวิทิมีทั้งอารติงภัตตะสมถังวิริยะนังปะนะเมตวะอริยะมะโกวิสุจฉติจิตมันบริสุทธิ์ได้ 5 นี้จะบริสุทธิ์ ลมสติลมสปายัญยะเนี่ยเข้ามาขับ อยู่จะวัดสัสสตังชีเวกุสสิโตหินะวิริโยเอกังชีวิตังสโยอาราปโตท่านน่ะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวนะกับคนที่รู้ใจกับ เกิดๆดับๆเกิดๆดับแล้วเราพอใจแล้ววิ่ง ยิ่งถ้าได้ลงหลักปักฐานอยู่ด้วยกันสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งมีความสุขชีวิตเลยหนุ่มเนี่ยถ้าอยู่ไปกัดคอ สร้างปัญหาให้กับเราใช้เรายังกระทากนะพอดีนอนไม่หลับมันรบกวนเรานอนไม่หลับเลยนะบางวันอืมดิชอบเรื่องนี้นะละครเรื่องนั้นนะพี่ชอบนะอืมน้องน้อง ไปทางดิเนี่ยไปกินอันนั้นที่เนี่ยเพราะมันเป็นผู้มาบัญชาการชีวิตเรากระแทกกระทันกับ พอเรานึกขึ้นมาได้อือพี่ตัณหาเนี่ยพี่อกุศลเนี่ยไม่น่าเนี่ยใช่ พี่หนูไปหาของดีมาให้พักไว้ก่อนนะหนูไปหาของดีมาให้อย่าไปนะไม่สนุกน้องอืมเป็นอย่าๆอย่าไปเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไม่หรอกหนู รับลองรองนะดูคอทําเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายชีวิตเนี่ยเอออ่อนมันบ้างอ่อนมันเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยเนี่ยยั่วยวนอืม แกมือเรารู้สึกไว้เลยชีวิตเนี่ยแล้วจับมือหนุ่มกุศลลําบากนะเล็กๆน้อยๆจอมปลอม นี่ล้นตาเนี่ยสงสัยหลงคารมมันมันเอาของหวานมาล่อจนเป็นเนี่ยมาจีบทุเรียนมั้ยทุเรียนมั้ยนะ อันนี้หมอนเงินนะนี่อันนี้หมอนตะกั่วนะอันนี้ลิงนะยากยุ่งเท่ากับการบริหารขันธ์ ความคิดในใจเอาออกได้จะเบานะความรู้สึกทั้งหลายออกได้ถ้าออกได้ก็ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรามาเอาออกเลยเนี่ยถ้าเข้าแล้วจะหนักเอาออกให้ดับได้ให้มันว่างจอภายในเนี่ยจอข่มนั่นให้ว่างก่อน แต่ละวันแต่วันก่อนจะนอนเนี่ยหรือก่อนจะตายอย่างเงี้ยให้สลายข้อมูลดับให้ได้ตลอดเวลาเรายังสามารถตรวจสอบได้อืม เลยไปปรึกษาพี่สถิติก็พูดไม่เผาะหน่อยคุณพี่คะวันนี้หนู เขาหนีไปอืมเขาก็เครียดแค้นเป็นๆนงมองเราเนี่ยสังเกตมั้ยโอ้เขาเลาะเวียนอยู่ แต่เราไม่ดึงๆอย่างจังเลยอันนี้ทําจริงๆปราหเวปัญจขันธาขันธะงาเป็นของหนักเน้อนะปราหะโลจะปุคคโรบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักของหนักเป็นความทุกข์ในโลกปรานิเค <c oughs> กังวางเนี่ยไอ้ที่มันหนักๆในใจเนี่ยจะมีกี่คนที่รู้ว่าทุกข์มากทุกข์เนี่ยรับรู้ถึงทุกคนเนี่ยอือ <c oughs> มันเป็นซึ่งลึ้งซังลังมันเป็นคือโศบโบเคิงนะมัน เฮ้ทำไมมันถึงจะหายไอ้ที่มันเป็นนั่นน่ะ hey, อันเวรแบกของดักเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะถึงจะบอกลาได้ กับการพัฒนาชีวิตถ้ามองดีๆแบบเนี้ยเรามองไปมาเราไม่ได้ทุกข์กับมันนะแต่เรารู้มันสนุกวันๆหนึ่งกับตัณหานี่ถ้าเราบอกขาดเค้าไม่ดีเนี่ยทําลายเค้าไม่ได้ฆ่าเค้าไม่ตายเค้าก็เวียนปล้นเปี้ยนมาอยู่นี่แหละเราจะต้องดาย บอกราบอกเลิกให้เขาเศร้าใจตรอมใจตายไปไอ้หนุ่มคนเนี้ยถ้าเราอีกหน่อยมันเผลอไม่นําอยู่เอาอีกแล้วมันยิ้มก็กดมือถือเข้าๆๆๆเข้ามา โยมไม่มีรถกลับเนี่ยแกก็ขี่รถขึ้นไปภูเพ็กแล้วแกก็ลงเอ้ายังรับปู่เหนือกลับ เอาลูกมันด้วยแล้วนะแกรีบควักมือถือเก็บมาเปิดทีเอ้ามันหลองอยู่ในมือถือนึกว่าลูกมัน มันถ้าโอ้โยมเอ้ยมันเจาะเข้านั้นอายุทั้งปีก็ยังมีพวกเนี้ยน่ะแก่เป็นโลดอันอันอื่นก็ ได้อย่างนี้จะพอได้อยู่อุปาทวะตะธัมมิโนสังขาร ได้ฟังเสียงสวดมนต์ดีกว่าฟังคนบ่นคนจมนะสบายใจนะอ่าครูบานิมนต์ นิ่งก็จริงน่ะแต่มันเครียดอันนี้ไม่ได้เคร่งไม่ได้เครียดนะเนี่ยตัวเคร่งๆเราปล่อยเรื่อยๆว่างได้เรื่อยๆความรู้สึกจิตใจเนี่ยจําไว้นะชีวิตเนี่ยขันธ์ เวทนาสัญญาสังขารมันมีรูปมันแว๊บขึ้นมาในใจเป็นรูปรูปภาพอะไรก็ตามน่ะเป็นจินตนาการมาทิ้งท่านี้เวทนาพอใจไม่พอ <c oughs> ปรุงแต่งมันปรุงแต่งรู้มันจะปรุงอะไรมันมันมากนะเนี่ยปล่อยวิญญาณความรับรู้ความรู้อารมณ์รู้เรื่อง <c oughs> มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราก็ติดใจอย่างเราอ่านหนังสือธรรมะนี่พออ่านปุ๊บมันได้รู้เรื่องนี้ ฆ่าวิญญาณก็คือไอ้ฆ่าความรู้สึกแบบนั้นแหละฆ่าวิญญาณทำลายตัววิญญาณนั้นซะถ้า นะกินที่โลเคอุปาทิยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเนี่ยเป็นเป็นจิตที่ตัณหาและทิฐิมาอาศัยเกิดไม่ ใจกูไม่ใช่สวนสาธารณะนะมึงจะขึ้นอย่างมาเกิดหรือมาเกิดไม่ได้เนี่ยบอกมันไปสอนมันไปบอกกูมีของแล้วนี่ มีมีขันหน้าเราจองสบายอ่ะชีวิตเนี่ยเราไม่หนักเราไม่ต้องแบกภาระแต่มันเข้ามาอยู่ได้ระวังนะมันออกลูก จลณะสัมปโนคือมาละปลูกฝังไอ้ทั่วรู้ที่แรงอยู่ข้างในเนี่ยเมื่อจะ เรารู้สึกว่าเรายังพอใจอยู่กับความรู้สึกนะแก่ก็จะไม่ยอม ฝึกใจให้รู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสิ่งคือทั้งภายนอกและภายในทั้งในในกายในรูปในอรูปเทวรูปประฌานอรูปฌานเราจะพยายามให้รู้นะว่ามันไม่มีอะไรทุกอย่างสัพเพนะสัพเพสัพพะทั้งปวงล้วนแต่เกิดแล้วก็ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเราจะเป็นสัพพัญญูปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรู้ปรากฏการณ์ทั้งสังขารโลกสัตตวโลกโอกาสโลกเกิด เราจะรู้แจ้งจะรู้แจ้งเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งความทุกข์ทุกข์ชนิดที่ปลอมอืมมันจะหลอกเราไม่ได้อีกแล้วเอาใบมา ง่วงกำลังกระพริบตาเฉยๆนี่หรือไม่เราหลับอยู่มันก็ไม่เบียดเบียนผู้มีสติจะ ขันธ์ 5 นี่มันตื่นอยู่นิดนึงแต่สติมันไม่สมหรือดีๆกลางวันนี่ก็คือความคิด 5 เราได้ใน แล้วหลับมันจะแอบเข้ามาแต่คนปฏิบัติธรรมสติมันดี ตีนมือเราก็ทําหน้าที่ไปบริหารไปกินข้าวก็กินไปนะทําหน้าที่เกิดมัน สายลัดสายตรงก็คือจิตดูจิตนั่นแหละๆเห็นมันโอ้ทุกอย่างเกิดแล้วก็ มันน่ะนะงั้นมาทีนี้เราหาวิธีการหาวิธีการที่จะดับมันใจเราเนี่ยจุดอ่อนมันอืมนะเนี่ยตัว ให้เห็นเพื่อจะปลดปล่อยพันธนาการอวิชชาจบแล้วนะเนี่ยชีวิตกับเธอ เหมือนโยมคนนั้นน่ะเค้ากลัวเค้ามีความรู้สึกว่าเค้า 16 เนี่ย 6 เค้าจะมีความกลัวอันนี้มันจะกลัวการ มันจับมาตามลําดับถึงแม้เขานะถ้าเราเข้าใจแล้วก็บอกเขาๆอยู่ยังมีรู้สึกมันมีอารมณ์อันนี้ กลัวจะน่ะแล้วมันเป็นภาวะที่น่ากลัวมากแต่ว่าเรานี่ปรุงแต่งๆนะแต่คนหนึ่งที่เค้าเรียนหมอมาเนี่ยเค้าต้องระวังทุกขบวนการเลยเอ้ยผักอัน ปอดสารไม่เอ้ยนั่นเป็นเอาไปมาถ้าละเอียดมากก็กลายเป็นความหวาดระแวงเอามันพอ รูปเป็นทานัสัญญะสังขารเรามีคุณพี่สติเนี่ยคอยคุ้มครองเนี่ยอยู่กับพี่สาวปัญญาๆนะอืมน้องชายก็น้องวิริยะเนี่ยอืมก็โอ๊ยเหลือเกินนะเนี่ย บวกกับอะไรล่ะพ่อตาแม่ยายขันตินี่ๆชีวิตเนี่ยญาติโยมๆน่ะตัดสินอืมไหว หลวงตาจะขอให้พี่สติสขันธ์ 5 เธอเนี่ย หลายๆคนคงจะได้สัมผัสนะการมาอยู่ร่วม นี่มาอยู่กับไอ้ตัวตัณหานี่แบบเปิดเผยเป็นยังไงมันอยากให้เรานั้นบังคับเราอย่างนี้เห็นมั้ยมันทรมานกลับมันนะรู้สึกว่าเห็นทุกข์มันเป็นอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านอยากเห็นว่าเราอยู่กับ ในนี้เราเริ่มรู้จักทุกข์ทุกข์ก็แสดงว่าเราเริ่มพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักอริยสัจ 4 ไงนะเนี่ยเราหลงอยู่กับเค้าเนี่ยเป็นทุกข์นะทุกข์หา นิโรธคืออะไรนิโรธก็คือถ้าตัดสินใจแต่งงานกับคุณพี่กุศลพี่กุสตินี่ซะเนี่ยไปอยู่ใจ นะใจให้เขามาเกิดในชีวิตเราหาทางให้เข้าหน่อยดิให้เค้ามา เนี่ยพวกเนี้ยคู่แห่งบุรุษ 4 คู่น่ะเปลืองตัวบุรุษได้ 8 บุรุษนั่นคู่ที่เขาแต่งงานกันไป 4 คู่นั่นน่ะโอ๊ยจังเขามีความสุขเหลือเกินคู่แห่งบุรุษ 4 คู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามิผลสักทาคามิผล ที่เขามีความสุขน่ะเขาแต่งงานวันนี้แล้วเขามีความสุขครอบครัวเนี่ยพระภูนะพวกเนี้ยอันภูเรียกว่านี่บุตรของเนี่ยสบายอ่ะสบาย ตัณหาไม่มาอาศัยจิตเกิดมันสบายชีวิตวันๆหนึ่งก็ท่องเที่ยวอะไรน่ะหรือไปฮ่องกงหรือไปไหน ไปเที่ยงเมืองนรกก็คือไปในความทุกข์ไปอยู่ในหรือไฟนรกที่มัน เขามีตู้เย็นมีโยมเคยอยู่โอ้ยแอร์มั้ยเขาถามว่า ไอ้นี่คือได้รับห้องแอร์มั้ยเคยเข้าไปอยู่ในแอร์มั้ยเย็นโหยงโยมอาตมาคิดว่าโยมชีวิตนี้ชีวิตไหนโยมอยู่แต่ ใช่อย่างหลวงตาว่าน้ำตาไหลนะโยมอย่าเนี่ยเอาเอานะถ้าเราดับร้อนอันนั้นได้นะเกิดปิติเกิดสมาธิ นี่เนี่ยไม่ไม่มีเกิดอีกอ่ะไม่มีกระเดกความเร่า หาเอาเถอะชีวิตเนี่ยวันนี้นะพูดคุยมา ของขันธ์ 5 อันหนักอึ้งทิ้งไปนะจากขันธ์ที่ใส่แล้วก็ว่างอะไรให้มันเป็นขันธ์ที่ไม่ วันนี้ตั้งใจเลยจะออกจากกุฏินี่รู้ว่าจะกระทบมั้ยแล้วนั้นก็งับคอย จะไม่มีประโยชน์ชนะค่าคานคนอื่นไม่มีประโยชน์นะเราก็ไม่เดินหนีได้ก็เดิน ไอ้ตัวที่มันเข้ามาเนี่ยเราจะเอามีดไล่ฟันอยู่อโคจรนะอาชระโคจร อันไหนที่เราไม่ควรไปไม่ควรเกี่ยวข้องเราก็ไม่ไปนะหลายข่ายคน ก็พูดเหมือนเหมือนกันสติปัฏฐานแต่ผลออกมาคือกันติดติดติดงมงายติดชาตินี้ชาติหน้าติดโน่นที่นี่ติดการสะกดจิตตัวเอง มีแต่ปรากฏกันได้ที่มันแปลกประหลาดเออก็ไม่ได้เหมือนขันธ์นี่แหละขันธ์กายอัฏฐิกาโยติอัฏฐิเวทนาติอัฏฐิธัมมาติอัตติจิตตันติ มีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดํารงไว้ ยิ่งขึ้นไปเดือนปี